แต่ในความหมายนี่ก็หมายถึงคุ่ความอย่างในทางธรรมะอันนี้ก็เราก็ได้ ข, ข้อในทางปฏิบัติแล้วครับว่ า, าในทางละให้วิปฏิสารบางอย่างสำหรับคนที่อายบาปกลัวบาปว่าบางคนเนี่ยเราควรจะทอดทิงท้งทิ้งไปย่าบาปไหมจะเรียกว่าทิง้งเพื่อนทิง้งนะบอกว่ามันอยู่ที่เหตุ ถ้าหากว่าข้อประลบในการทิ้งนั้นเข้าเหตุอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าคบบุคคลใดแล้วสติสมัมมาชนญะตกต่ําสําหรับผู้ที่ได้สติสมัมมาชญยะอยู่บ้างแล้วหรือครบใครแล้วสติยังไม่เกิดก็ไม่เกิดบุคคลนั้นไม่ควรครบไม่ควรอยู่ใกลแล้วก็ถึงขั้นควรจะทิ้งไปก็ให้ทิ้งทิ้งไปเพื่อธรรมะ การทิ้งไปนี่แหละบางทีก็จะเป็นประโยชน์แก่คนที่เราทิ้งไปในลักษณะที่บางทีช่างตววัดไม่ได้และในกรณีของครูบาอาจารย์ที่ทำไม่ถูกต้องเราควรว่ากล่าวตักเตือนไหมตอบว่าควรควรและทำไมถึงถูกก็เพราะว่าอหลักความถูกมันอยู่ที่เจตนา ในอันหนึ่งเนี่ยเป็นประกันบาปแล้วก็วิธีการนี่เป็นตัวประกันความสําเร็จว่าสิ่งที่เราต้องการปรารถนาดีจะสําเร็จได้หรือไม่ mm. ก็อยู่ที่วิธีการสองอย่างนี้ยืนไว้แล้วเป็นนานว่าจะเป็นดีในภายหลังครับเป็นดีแก่คนที่เราไปคุกคามเนี่ยในภายหลังวิธีการเนี่ยเป็นของยากแต่ว่าการตั้งจิตเป็นกุศลเป็นของง่ายสําหรับ อย่างเราๆนะี่นะวิธีการก็ลาบากหน่อยท่านจึงได้กลับมาแล้วก็กลับมาล้างครูล้างกิเลสครูเนี่ยเสร็จคิดเสร็จล้างครูจริงๆไม่ใช่แค่คิดนะล้างครูแล้วก็ล้างได้รับความสําเร็จด้วยท่านได้มา เรียกว่าสอนครูแหละครับว่านี่คือคำคุกคามนะของบัณฑิตว่าวันและคืนย่อมล่วงไปล่วงไปชีวิตดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้คนพานทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้สึกตัวต่อภายหลังก็จึงได้รับทุก อันเผ็ดร้อนเพราะบาปกรรมนั้นมีวิบากเรี่าวแร์นี่ก็สอนสอนอาจารย์สอนแล้วเป็นยังไงนะครับล้าบอกว่าอาจารย์ได้ฟังคำของลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ผมต้องย้ำบ่อยๆว่าพระอรหันต์เนี่ยแค่เดินให้ดูเฉยๆเนี่ยก็มีผลทางจิตใจอย่าง หาต้นสายปลายเหตุไม่ได้แล้วและคนที่จิดมีพลังในทางจริยธรรมขนาดนี้พูดอะไรออกมาเนี่ยมีพลังสูงครับอย่าสงสัยว่าทำไมท่านพูดนิดพูดหน่อยถึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ให้เราเอามาพูดทลายๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมันเขาเรียกว่าควบคุมด้วยความริู้สึกที่เป็นตัวสื่อเป็นพาหะที่สาคัญอย่างยิ่งคือตรงนี้นั้นคนมีบา ร, รมีมาก มีกุศลนิบาสูงอันหนึ่งทำหรือไม่ทำทำนิดเดียวแม้ทำผิดผิดสูงก็เกิดการตอบรับในทางดีเดินหกเมงตีลังกาก็น่าเอ็นดูนะขนองนี้นะเหลือให้อะไรนิดให้อรานี่ก็มีผลมากรับอะไรก็ยังมีผลรับนิดรับหน่อยก็ยังมีผลมากเนี่นะพูดเยนิดพูดเหน่อยก็มีผลมานี่นี่เป็นเรื่องของในค่าทางกุศลนิบาส ถ้าเป็นค่าในทางจริยธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ได้วางค่าในทางกุศล น, นิบางหรืออาจจะคู่กันก็ยิ่งแรงทั้งคนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีผลมากผมนึกก็บอกว่าเวลาท่านจะไปเจรจาชี้แจงอะไรแกใครถ้าว่าท่านเพิ่งออกจากกรรมาฐานก็ดีหรือทำกรรมาฐานแล้วก่อนก็ดีแล้วไปพูดคุยกับเขาเนี่ย มันเกิดพลังหลายคนก็บังเอิญมามีประสบการณ์มาแล้วบางคนก็เพิ่งนึกออกนาผู้กษัตริย์เดชนยังมีพลังเลยครับเวลาที่คนออกากงมาฐานใหม่ๆเนี่ยนะไม่รู้ทำให้มันเข้าใจได้ยังไงทำให้มันชะงักงันได้ยังไงพระนรพลาหันหเนี่ยท่านมีท่านจะมีกุศลวิบากเลิศเลอแค่ไหนยังไงก็ตามเถอะ แต่ท่านมีพลังทางนี้ถึงว่าตัวเองพ้นจากลมและฉุดคนอื่นได้จะฉุดคนให้ให้ดีขึ้นตัวเองบริสุทธิ์แล้วมันฉุดขึ้นได้เลยเอ า, าล่ะครับนี่ก็แปนานว่าอาจารย์ฟังแล้วก็สลดใจด้วยสารพัเหตุผลแหล ะ, ะเเออนี่เขาบวชที่หลังเรารูซีเข้ามาแล้วเขาเากลับมามีเขาเกิดความสลดใจลหลายๆเหตุผลรวมกัน จึงเกิดนุปมานะคือเกิดความลบปลาลบความเปลี่ยนขึ้นบรรลุเป็นปลาหลานตามไปเลยครับทีนี้นี่เขาเรียกว่าเวไนเนี่ยคือพูดตามภาษาเราลูกศิษย์กับอาจารย์คนได้รับสงเคราะห์กับคนถูกสงเคราะห์เนี่ยบางทีไม่แน่แล่ะครับว่าคนที่จะมาสงเคราะห์เนี่ยบางทีเข้ามาที่หลังเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานเราเขามาที่หลังแต่ว่ามาฉุดเอาสกุลนัขึ้นมา หรือมาอ่ากอบกู้ฐานะให้กับสกุลนั้นคนที่จะมาสงเคราะห์เราเนี่ยเราจึงต้องเผื่อไว้สองอย่างไอโดยธรรมดาวิสัยลูกเนี่ยเราเนึกว่าคนที่เราจะเงี้ยวโศ ส, สดับต้องเป็นรุ่นพี่ต้องเป็นอาจารย์รุ่นก่อนต้องเป็นคนมีชื่อเสียงรุ่นก่อนจะฟังจะเชื่ออันนี้นะแล้วก็นึนน <c oughs> นกว่าไ อ, อ, อ้นี่รุ่นหลังบางทีก็พูดกัอย่างนี้เออนังสือนี่รุ่นหลังยิ่ไปอ่าน ม, มาเลย ในหลังก็ทั้งสิบปียี่สิบปีนี่เราอย่านึกอย่างนั้นต้องนึกเผื่อไว้ว่าคนมีบุญที่เราจะพึ่งเขาได้บางทีเข้ามาที่หลังเรานะฮะคนที่เขาอะไรจะพึ่งความรู้อะไรก็เข้ามาที่หลังเราเยอะแยะครับไม่ว่าจะพึ่งพากันในแง่ไหนถ้าพูดในแง่ธรรมะก็อยูอย่างเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่เอาแน่ไม่ได้แล้วต้องเปิดใจกว้างอย่าให้ ามาหนา้าทิฏฐิมาเป็นตัวปิดกั้นเสียเราจะไม่ได้ประโยชน์จากคนที่เขาจะมามาเกื้อกูลเรานะนี่เราต้องถือว่าเขามาเป็นลูกหนี้เรานะมาม า, มาเป็นคนใช้หนี้เราหรือมาเป็นคนเกื้อกูลเราก็แล้วแต่ผมขอผ่านเลยไปถึงอีกองค์หนึ่งคือท่านสัพพมิตา ซึ่งเป็นองค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าท่านสัพพามิตตาเกิดในสกุลพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีอีกเราก็นึกได้ ข, าข่าวข่าวแล้วว่าสาวัตถีนั้นพระลามเยอะเหลือเกินก็ได้พบพระพุทธเจ้าวันเดียวกันกันกบที่ลหลายๆองค์พบวันเสด็จรับ พระเชตวันนี่เหมือนกับเป็นวันรับนักเรียนเลยอะ่ะเข้าโรงเรียนเข้าสู่ใรศิกขาลักงสู่ใจศิกษาพล า, ารหลานมารอกันโดยไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยก็มาเพื่อเหตุผลต่างๆกันแต่ว่าเวลาคำพีท่านพูดท่าบอกว่าบรารมีกระตุ้นมาไอ้บรารมีกระตุ้นมาเนี่ยนะไอบ้บางทีไอ้ความรู้สึกชั้นนอกว่าเราจะไปเพื่อนี่แต่บรารมีมันไม่ได มันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกบรารมีมันกระตุน้นเมื่อไม่งั้นพระยศก็ต้องรู้ดีว่าที่บ่นวา่าบุไวายหนอบุญวาหนอไปที่ <c oughs> ป่าอีเสียไปทําไมตัวเองยังไม่รู้เลยใช่ไหมละ่ะถ้าถามว่ามาทําไ ม, บ, ไมบ่นทําไมบอกบ่นกลุ้มใจไม่ไันจะไปไหนก็ อ, อาจจะบอกได้แค่นี้าตาู้สึกจะนอกแต่จริงๆแล้วบรารมีข้างในเนี่ยก็ทำงานโดยไม่รู้ตัว ตอนนั้นบารมีที่เวลาบรรดาลผลเนี่ยเราโดยมากเราไม่รู้ตัวโดยธรรมดานะมันเหมือนกรรมให้ผลเนี่ยบุญก็ตามบาปก็ตามให้ผลเนี่ยเราไม่เคยรู้ตัวคนจะมารู้บาหรู้บุญได้ต้องมาสร้างเครื่องมือต้องเข้ามาสู่ระบบที่จะรู้ถึงจะไปรู้ถึงขนาดารู้แล้วแก้ไขล่วงหน้าหรือให้ผลแล้วมารู้ทีหลังไอตอนที่มันให้ผลโดยมากไม่เคยรู้ทันหรอกเอาละเป็นนันว่า เมอมาก็มาบวชอะบวชแล้วก็ทำกรรมฐานเลยไปอยู่ราวป่าทำกรรมฐานในป่าก็คงจะอนอกเขตเทตะวันอย่างที่หลายคนได้ไปเห็นมานะครับเมื่อก่อนยังป่าเต็มหมดแล้วก็เมื่ออถึงเวลาเข้าราษาก็จำภรษาปฏิบัติทำออกภรษาแล้วก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าออกจากป่านะเพื่อเฝ้าพุทธเจ้า ผู้เจ้าประทับที่ที่เชดวันทีนี้ตอนตอนออกมาเนี่ยยังไม่ได้บรู้เป็นราชา น, นะครับก็เป็นแต่เพียงว่าธรำเนียมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้ารรษาตัวไปยาพรรษาอยู่ที่ไหนก็ตามถึงเวลาออกพรรษาถ้าทำเนียมปลาจะต้องมาเฝ้าและในการมาเฝ้าถ้าใครบรรลุมรรคผลก็จะมาไปพ ย, ยากรถือว่ามีของบูชาถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุก็มาขอต่อกรมาสารมา ทำน้องมาสอบอารมณ์อะไรกันไปตามสภาพของแต่ละคนแต่ละคนนี้ท่านเขาออกมาเพื่อจะมาเฝ้าละก็บังเอิญว่าการออกมาในทีแรกก็นึกว่าจะไปเฝ้าตัวเปล่าไม่มีของติดไม้ติดมือของคือคุณนะท่แต่ในระหว่างนั้นแหละครับทำให้ท่านเกิดพบเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้เป็นพระอารหาันต์มันไปเกี่ยวกับ กรรมและกิเลส ท, ที่ได้สร้างสมไม่ใช่ก่อนมาผสมผสานกับไอเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปทำอะไรไว้ดีไมในเหตุการณนี้แล้วก็เป็นเหตุให้บรรลุอรหันต์คือว่าระหว่างทางเดินจากป่ามาสู่เชตวันเนี่ยท่านได้ไปนั่งพักอยู่ที่หนึ่งก็ได้เห็นไอลูกเนื้อมันติดบ่วงบ่วงในพราน านไม่เห็นหรอกก็เห็นลุงเนื้อติดบ่วงก็วิ่งพล่านแล้วก็ไอ้บริเวณใ ก, กล้ๆเนี่ยมีไอ้แม่เนื้อเนี่ยครับมันก็วิ่งวนอยู่ห่างๆทำท่าจะเข้ามาทั้งต่อยออกไปในลักษณะที่ท่านเองท่านอ่านเหตุการณ์ได้สรลุเลยว่าไอ้คนติดบ่วงก็เป็นทุกข์ต้องการที่พึ่งต้องการการช่วยเหลือไอ้คนที่จะมาช่วยเหลือก็มีความทุกข์ ที่เกิดจากความผูกพันรักใคร่และตัวเองก็กลัวตายเข้ามาใกล้แล้วก็ติดบ่วงอีกตัวก็จะว่ายังไงกันละ่ะก็เลยทําท่เาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยถอยเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกลกลัวทั้งบ่วงกลัวทั้งในพานจะไม่เห็นเข้าพอเห็นเข้าอย่างนี้น่ะคนปฏิบัติธรรมแล้วอารมณ์ธรรมะก็เข้ามาสําแดงในความรู้สึก อย่างชัดเจนว่านี่เนาะสัตว์ทั้หลายเนี่ยกลัวตายดิ้นรนที่จะพ้นความตายด้วยอบายอย่างที่จะคิดกันแล้วก็สัตว์ที่เข้าไปผูกพันผู้อื่นก็เป็นทุกข์เนี่ยเพราะความรักความผูกพันไอ้เห็นอย่างนี้ก็เกิดคติขึ้นมาในภัยในสังสารวัฏแล้วก็ความรักความผูกพันเป็นเดชให้ เ, หเกิดทุกข์ไม่ว่าอะไรซึ่งไ อ, ไอ้คำพูดคํานี้กับคนที่ปฏิบัติทําเวลามันแวบขึ้นมาเนี่ยนะมันจะจับใจประดมดา ที่บอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกถ้าคนซึ้งลึกในธรรมะเท่าไหร่เนี่ยจะซึ้งในคำพูดนี้ละเอียดมากที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกจริงๆแม้แต่รักดียังทุกเลยครับมีรักใด้โลภะนะกำหนัดในความดีอย่างทุกก็เลยซึ้งที่พระทธชาตรัสว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ควรผูกพัน ไม่ควรรักไม่ควรผูกพันนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งใครปลดปล่อยได้มากเท่าไหร่จิตก็จิตจะเกิดความกึงก็เบนไปได้น้อยนี่ท่านไปเห็นอย่างนี้มันเป็นรูปภาพที่ชัดเจนและน่าจะพึงกลัวแล้วก็เห็นความนึกคิดของสัตว์เหมือนความคิดของตัวเองเมื่อเป็นปุถุชนหรือปุถุชนทั่วไป ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเครื่องดับทุกข์ที่แน่นอนนี่คือภัยของสังสารวัดนี่เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองเมื่อท่านเดินต่อไปท่านก็ไปเจอเหตุการณ์ที่น่าทัึงกลัวเหตุการณ์ที่นี่กลวัวน่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อกี้ว่าไปเจอพวกโจรเนี่ยมันจับบุรุษคนหนึ่งบุรุษคนนี้จะเป็นเจ้าทรัพย์ มือจะเป็นตัวที่จะไขกุญแจไปสู่การทำให้จับพวกโจรได้อะไรก็แล้วแต่จะนะครับมันจำเป็นจะต้องต้องขาดไอโจรไอคนที่ถูกจับได้ก็กลัวแต่ว่ากลัวยังไงพวกนั้นมันก็ขาดโจรมันก็เอาฟางเอาพวกเชือไฟเนี่ยมาพันร่าง แล้วก็จุดไฟเผาให้ตายทั้งเป็นนี่คือวิธีที่จะฆ่าได้ <c oughs> ในสภาพนั้นไอ้คนถูกฆ่าก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือท่านเห็นท่านก็สลดสลดใจที่นี้ก็มีปัญหาว่าทำไมไม่ช่วยถ้าเราเป็นท่านเราจะช่วยไหมแล้วถ้าช่วยจะช่วยได้ไหม และการไม่ช่วยเนี่ยประพฤติ ท, ทำข้อว่าวุเบคาหรือหรือถ้าไปช่วยก็จะเสียอุเบคาหรือเนี่ยท่านทำถูกหรือทําผิดเอาเป็นว่าผมฝากให้คิดแล้วกันเดี๋ยวอธิบายแล้วไปใหญ่ตโตนะแต่เอาแน่วขนาดนี้ท่านไม่ได้แชร์ละไม่ใช่์ละหันแล้วก็เหตุที่ไม่ช่วยด้วยเหตุผลอะไรต่างเป็นไปได้หลายอย่างนะคือในตําราไม่ได้ชี้แจงไว้แต่ว่าเราสนิทฐานเทียบกันในกรณีอื่นๆและในแง่งหลักธรรมฝากให้ไปคิดนะผมไม่พูดนะ คันนี้ว่าเมื่อท่านเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ความรู้สึกในธรรมก็ประดังขึ้นมาอย่างรุนแรงท่านจึงได้กล่าวคำสอนแก่ตัวเองนะเป็นทนํานองคำอุทานที่ออกมาจัดใจตัวเองแล้วกลับมาเข้าหูตัวเองเป็นคำสอนตัวเองไปในตัวด้วยคือท่าน สัพพมิตรได้กล่าวว่าคนเกี่ยวข้องในคนคนยินดีกับคนคนถูกคนเบียดเบียนและคนเบียดเบียนคนอย่างกัอย่างกรอย่าง ก, บ, งกบกลอนกบทก็จะก็จะต้องการอะไรกับคนหรือกับสิ่งที่คนทำ ให้เกิดแล้วแกกคนเรายังไม่หายเวียนหัวนั่นนี่ควรละคนที่เบียดเบียนคนเป็นอันมากไปเสียแม่คนคนจะทุบหัวครับแต่ว่าเป็นคําพูดที่คมคายและไพเราะพูดในอย่างนี้แล้วยังคิดไม่ทันดังนะแต่ว่าท่านไอ้คนที่อยู่ในบรรยากาศธรรมะเนี่ย ความคิดมาไม่มันมามากนะเวลาพูดอะไรออกมานะโอ้มันละเอียดลึกซึ้งแยบยนแล้วก็กินใจแล้วก็ไอโดยมากเราก็นึกนึกแล้วก็มัมกจะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะบางทีนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัวเราเนี่ยได้เกิดประโยชน์ในทางทางสติทางขนาดนั้นขึ้นมาเป็นระยะระยะแหละเพราะฉะนั้นพุทธอุทานเถระอุทานใน่างๆเนี่ยที่แยบยนลึกซึ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่อง เหลือเชื่อเลยครับเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งแต่ชั้นตน้นบาอทีไอ้คําพูดหรือไอ้ความคิดอะไรต่างๆพลึกพลึกพล่านในทางต่างๆก็มีมันออกมาในลนักษณะคืนคลายครับการ <SAM> e. นี้เมือ่อท่านได้กล่าวอย่างนี้นะครับความสลดเนีเน่เป็นแรงบันดาลใจของการปฏิบัติธรรมเมืม่อกล่าวอย่างนี้แล้วในประวัติก็บอกว่า ได้กำหนดจิตเจริญวิปัสสนาอย่างรีบเร่งและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะขาดคำนั่นเองเป็นอรหันต์เลยเรียกว่ากล่าวด้วยสติกล่าวแล้วคำกล่าวนั้นเป็นเหตุเจริญสติ ซึ่งจะว่ากล่าวอย่างลืมตัวไม่ได้ดูตามาตาเรือที่จริงมันก็วอนถูกฆ่าปิดตาไปอีกคนหนึ่งนะแต่เนื่องจากว่าคํากล่าวของท่านโดยความรู้สึกในคุศสอละินรุนแรงและได้เป็นหลานเนี่ยเลยโจนเนี่ยได้ยินด้วยครับโจนที่จะฆ่าได้ยินด้วยก็เกิดความรู้สึกแหมโจนก็จะหลาดริมกันนะ ขนาดเรายังฟังไม่ทันเลยโจ้ฟังทันเกิดความรู้สึกเลื่อมใสเพราะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่บุคคลอย่างนี้ไม่น่าจะระแวงพูดแล้วให้ข้อคิดคือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยนะทีเราก็จับได้ว่าไอ้คนเรามันจะคิดจะเข้าใจอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราบุกเข้าไปถึงไอ้ลังของความคิดจุ่มของความคิดบางอย่างแล้วก็ฉีกขี้ให้เห็นเนี่ยคนมันนึกได้นะ นะเห็นจะเพียงว่าอตอนจะบอกในพยายามปลำปลาม อ, อกุศลจิตอย่าให้อ ว, วดดีอวดดื้อหือดีความไม่ไว้วางแยะเข้ามัดมาบทบังกันแล้วกันคนนึกได้ครับว่าไอ้อย่างนั้นอย่างนี้ชี้แจงเขาให้ดีๆนะครับคนนึกได้อันนี้เราก็ก็เห็นพอสมควรแล้วโจรมันก็มีบุญเหมือนกันนะครับจึงมาขอสมาทานแล้วก็ ขอบวชมอบตัวเป็นลูกศิษย์นี่ก็เป็นพระหลานที่เอาโจรมาเป็นลูกศิษย์ทีเดียวตั้งเยอะแหมลูกศิษย์ของอาจารย์บางคนเนี่ยแหมมีดวงจะต้องต้องไปสอนคนบางประเภทนะนะบางคนเนี่ยนะต้องไปสอนคนบางประเภทมันสอดคล้องกันด้วยอะไรยังไงอันนี้ไปดูประวัติอดีตชาติท่านแล้วก็ได้ความอย่างนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยครับ ในอดีตเมื่อสมัยพระพุทธติสาะพระพุทธติสสะดีที่ที่ผมถ่ายให้ดูนะเพื่อเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเราพอได้นึกทันนะถือติดมือมาเรื่อยๆล้กันแล ะ, ะพระพุทธติสาะนั้นตอนนี้น่ะเราอยู่ในโลกใบที่สิบสองครับใบที่สิบสองเนี่ยหมายถึงโลกที่มีพุทธเจ้าเกิดนะอะสุญญา ก, กับ โลกอื่นซึ่งจะมีกี่ใบกี่ใบที่ใส่ตัวเลขเอาไว้อะเป็นโลกที่แตกเปล่าเป็นสุญญากลับเราก็จะเห็นว่าโลกที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหาได้ยากการอุบัติเกิดขึ้นของพุทธเจ้าจึงหาได้ยากเช่นเดียวกับโลกแล้วก็ถอยจากโลกสิบสองไปในย้อนกลับไปโลกหมายเลขเก้า ก็ห่างกันไม่กี่โลกอะครับถ้านับเป็นส่วนโลกนะโลกพูดถึงว่าเฉพาะโลกที่มีพรเจ้าเนี่ยก็สี่โลกรับนับโลกใบที่สิบสองด้วยแต่ว่าโลกถ้าบวกร้มโลกที่แตกไปด้วยเนี่ยก็ถึงเก้าสิบสองโลกเก้าสิบสองโลกเดี๋ยวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเดียวเก้าสิบสองโลกเนี่ย สมัยนั้นนะครับท่านผู้นี้ได้เกิดทันแต่ว่าในชาตินั้นท่านเกิดเป็นโจรและเป็นพลานล่าสัตว์อาชีพมือเปือนเลือดทั้งคู่ไอ้นี่แหละครับถึงบอกว่าคนเราเนี่ยได้ทําอะไรสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับกรรมเราให้บางคนเนี่ย หาอยากจะดูไอ้ที่รถชนตายตอนหน้าหาดูยากจริงๆทั้งที่ว่าตามสติมันก็ตายเฉลี่ยได้นับเป็นคนๆเลยนะไม่รู้วันละกี่คนแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้จำํำแต่เชื่อไหมครับบางคนเนี่ยหาดูไม่ได้สักทีอายุตั้งเจ็ดสิบแหละแต่ถามว่าอยากดูไหมบางคนก็บอกอยากดูบงคบอกไม่อยากที่นางๆางนี้มันก็อยากดูแต่หลายคนเนี่ยเราต้องบอกว่าละด่วนมากอยากดู แสดงว่าที่ไม่อยากดูก็เลยไม่ไม่ได้ดูผสมปรารถนาบางคนไม่อยากดูยังได้ดูนะนี่ไอ้นิสัยใหม่กับจะตากรรมเก่ามันเกิดไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอะไรอะไรเนี่ยเราเข้าหาสมณะฟังเทศฟงทังธรรมอะไรท่้งปุงนี่นะสร้างพระสร้างเจ้าเราก็จะได้เห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นในทางประนีประนีไปง่าย เห็นว่าพระบางองค์โอกาสที่คนส่วนมากจะเห็นยากแต่เราก็ได้เห็ น, นพระบางองค์โอกาสที่คนจะเข้าไปสนทนาด้วยท่านจะยอมให้ถายลูปด้วยยากแต่บางคนก็เข้าไปสนทนาด้วยได้ด้วยการไปครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวและช่วงว่าเดียวเดียวและในจังหวะที่ท่านได้บอกว่าไม่รับแขกก็ยังอุตส่าห์ ถึงตัวได้ได้ถ่ายลงถ่ายรูปด้วยกันอย่างี้นะนี่มก็เป็นบุญนะที่ว่าบำรุงสมณะยีพรามแลอะไรต่างๆไว้ก็มาเป็นอารมณ์ให้ให้เราเนี่ยต้องเห็นต้องอพบต้องได้ยินต้องได้สะดวกต้องได้ข้อกาดข้องแล้วถ้าเราทำความดีมาบนพื้นฐานของชะตากรรมอย่างนี้มันก็จะมาครุกกันเราก็ต้องอา ถ้าเรามีความดีบริหารอยู่อากุศลนํำก็ยังอยู่เราก็จะได้ใช้โอกาสของอากุศลที่บากเนี่ยไปเป็นประโยชน์แก่ความดีเราไอคนที่ไม่ทางอากุศลมามันก็เห็นแล้วมันก็ยิ่งกลายเป็นความซวยยะนะเขามาโจ์หาว่าไปขับรถชนเขาเสียเงินเสียทองตีคุกตีตารางแบบทําคุศูชาโทษไปอีกแช่ละ็ดีแล้วเนี่ยไม่เจอ ไม่งั้นเดี๋ยวพอไปส่งเร็วบาน ล, ลืมตาขึ้นมาบอกนี่คุณตำรวจครับไอนี่แหละครับชนผมครับเลย <c oughs> เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งโดนกระดูกทิ่มนี่สิ่งเหล่านี้เนะี่มันไม่ใช่บังเอิญนะมันไม่ใช่แล้วบางคนนั่นแหะไอที่พุทพูดมาเนี่ยมันเป็นไอความบังเอิญที่ไม่น่าชอบใจเลยแต่ว่ามัน เกิดจังเลยบังเอิญแบบนี้บางคนน ะ, ะทีนี้ในขณะที่เป็นโจรนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างยืนยันถึงแม้ว่าจะเป็นธรมธรมดาธรรมดาถ้าไม่สะกิดให้คิดก็อาจจะมองข้ามเลยไปว่าเมื่อระหว่างที่ไปเป็นในพาราล่าเนื้อล่าสัตว์อยู่ในป่าในป่าเนี่ยสมัยก่อนก็มีปละก็มีสัตว์ใช่ไหมฮะ โจรเมื่อไปล่าพระทุดงไปเจอโจรบ่อยไปลองไปอ่านประวัติพระทุดงก็ได้ผมอ่านมาหลายองค์แล้วเจอแล้วก็โจรก็ไปเจอพระบ่อยไปไอ้โจรบางคนัไปเจอพระมันจะฆ่าพระในป่าด้วยมันหาว่ามาทําให้มันสวยไอโจรบางคนมันก็ดีมันล่าสัตว์ได้แล้วมันมาถวิลพระอ่าอย่างนี้ก็ดีบางทีพระก็ต้องฉันจะได้บาปเอ้ยลงหน่อย แต่ว่าอย่าไปโวยพรมากันแล้วกันแถ้าไปล่าสัตว์แล้วถวายพล้านนี่ยิ่งล่าสัตว์ไม่เก็ได้นะแต่ไม่ได้มันมีอ้ด่างยศเออย่างอื่นนะอย่าไปเนื้อกว่าสวยอันหนึ่งแล้วมันจะต้องไปสวยอย่างอื่นที่ไอ้ซวยอันอื่นมันถ้าเป็นความสวยของของบาปเนี่ยมันควรให้มันสวยใช่ไหมอย่าอย่าให้ไปเฮงกับบาปแล้วกันเฮงกับบาปเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มันเฮงและพระ อรหันเนี่ยทำคนไม่ให้เห็งกับบะนะฮะแต่เนี้ยไอ้ไอผู้ทุชนเนี่ยมันไม่รู้อะไรเ็งอะไรซวยในทางเนื้อแท้มันมันก็ติดวัตถุติดอะไรเท่าที่มันมองเห็นก็เลยโทษผิดโทษถูกอนะ่ะูดถึงโทษละนะทีนี้ในพรานคนเนี้ยบังเอิญได้ไปเจอพระ จะเรียกว่าไปพบพระพุทธบาทพระพุทธบาทนั่งหมายถึงลอยเท้าอุติเจา้าซึ่งปกติไม่มีลอยเท้าเนี่ยทรงประทับไว้เพื่อสงเคราะห์ลานคือทรงเห็นแล้วว่าคนคนนี้นี่ถึงบอกมองเลยพฤติกรรมชั้นนอกคนคนนี้อนาคตมีความสำคัญเราต้องสงเคราะห์เขา ให้เขาพ้นจากไอจตากรรมพุฤติกรรมตอนนี้ก็ทำรอยบาดไว้ด้วยอาการที่เป็นเรื่องน่าเลื่อมใสเรไปเห็นแล้วก็เกิดความสงสัยเลยไปกราบไหว้นำดอกไม้มาเป็นเครื่องบูชาในตอนนั้นแล้วก็ในที่สุดก็เลยได้ม า, าพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เปลี่ยนชะตาชีวิตมาใหม่ในภายหลังนี่เป็น บูปกรรมเก่าจบแค่นี้หรือจะต่อถ้าจะว่าถึงห้าโมงนี่ไหวไหมไหวน ะ, ะเป็นลมม่ยมมาโทษผมแล้วไง อ, องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกมีชื่อว่ามหาการท่านมหาการเนี่ย เราทั้งหลายถ้าฟังพระเทศก็จะเคยได้ยินชื่อท่านมหาการแล้วก็จะนึกถึงอีกการอีกการหนึ่งคือใครจุลการคู่กับมหาการความจริงมีสามการนะพี่น้องท้องนี้คือมหาการคนที่มัชชีมาการคนกลางแล้วก็จุลการคนน้องเล็ก ทั้งสามคนเนี่ยเป็นชาวเสตบญาคนครเสตบญาคนครเนี่ยเป็นนครบริวารของเมืองสาวัถีคืออยู่ในแควนโคนน์นั่นเองครับและพระราชาที่ครองเสตบญานาคร น, นั้นถ้าเอ่ยชื่อแล้วเราก็จะลอง อ, อ๋อคือพระเจ้าปายาสิเป็นกษัตริย์ หรือเป็นราชาที่ปกครองเขาเรียกว่าเป็นราชาที่ไม่ได้ผ่านพิธีมุรธาพิเศษก็ได้รับให้เป็นผู้ครองนครที่ชื่อว่าเสตัญานาคร น, นี้ที่พระเจ้าเาที่พระกุมารลักสปะไปทรมานในภายหลังนะอหลังเราไปพูดถึงท่านกุมารลักสปะภายหลังท่านเกิดในสกุลพ่อค้า นีที่ค้าขายค้าขายจนเรามีฐานะร่ำรวยแล้วครับการค้าขายนะั้นเป็นการค้าขายทางเควียนก็คือพี่ชายคนโตกับ น, น้องคนเล็กทําหน้าที่นําสินค้าจากเมืองนี้ไปขายที่เมืองสาวัตถีแล้วก็นํำสินค้าจากเมืองสาวัตถีเนี่ยมาให้น้องชายคนกลาง คนลองคือมัจจิมา ก, การขายอยู่ที่เซตับยานครก็ทามากินกันอย่างนี้มาช้านานก็มีเควียนหรือเหมือนกับเดี๋ยวนี้ก็คงรถปิกอัพหรือรถสิบล้อแล้ะครับเป็นจำนวนมากมายเป็นนับโดยร้อยเล่มแหละคราวนี้ครั้งสำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางชีวิตของท่านมหาการแล้วก็ท่านเดลากาดด้วยก็คือว่าในครั้งนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่ออกไปสู่เมืองสาวกตีแล้ว่วัดเชตวันเกิดแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่นั่นในตอนนั้นท่านมหาการก็พาน้องชายคนเล็กพร้อมด้วยบริวารนําสินค้าบรรทุกไปไปถึงที่เมืองก็ตกเย็นก็เตรียมจอดสินค้าก็รับุว่า กองคาราวานเคลียนเนี่ยจอดพักอยู่ระหว่างวัดเคตาวันกับตัวเมืองตัวนครสาวัตถีเราคงไปเห็นมาแล้วนะ <c oughs> ระหว่างกำแพงวัดกับกำแพงเมือนครเนี่ยห่างกันห้าร้อยหลาห้าร้อยหลาใครซื้อ้าพบ่อยกันนะึกภาพพอๆกันห้าร้อยหลาก็จอดพักกันตรงนั้นทีนี้ไอ้ตรงนั้นแหละครับ ถ้าหากว่าเรายังจําได้เห็วนว่าถ้าออกจากประตูเมืองมาจะมาวัดเทตะวันต้องออกผ่านมาตางนั้นที่มันเป็นจุดอประชิดกันเนี่ยนะตกเย็นเข้าขณะที่ตัวเองกําลังเตรียมตัวที่จะพักก็แรนพักพ่องกันก็เห็นคนมาถือดอกไม้ทูกทเพียนมาที่วัดกันเป็นแถวเี่ะก็ถามลุงนองไปเองนี่เขาไปอะไรกันไปไหนกัน ลูกน้องก็บอกว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมพอพูดมนไปฟังธรรมตัวก็เลื่อมใสบอกเอ้ะอย่างนั้นน่าจะไปด้วยเหตุที่ไม่มีภารกิจอะไรจะมืดแล้วก็ เ, เอาเรืยกน้องชายบอกน้องชายดูแลสินค้าดูแลพานะให้ดีก็แล้วกันพี่จะไปฟังธรรมะก็พาบริวารไปจำนวนก็ไปฟังธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่วัดพระเชตวันเ <c oughs> มื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาอย่างลึกซึ้งถึงกับขอบวชเลยนับว่าเป็นการตัดสินใจอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วมากเมือ่อขอบวช พระพุทธเจ้าก็บอกว่ า, าแล้วมีใครจะจะต้องสั่งต้องบอกลาไหมละ่ะในที่นี้ก็บอกมีน้องชายก็บอกงั้นไปลาน้องชายก่อนน้องชายก็ไม่อยากให้พี่บวชก็เลยคิดว่าเออยังไงผงจะบวชไม่นานในด้านี้นั้นเดี๋ยวเราไปบวช ด, ด้วยจะได้คุมพี่ชายแล้วค่อยอยุยแย่สุ พูดแล้วจะได้หวานล้อมยามไม่สึกให้ได้พากลับบ้านให้ได้ก็ก็เลยบวชทั้งพี่ทั้งน้องแต่น้องไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาอันนี้เมื่อไปบวชเนีปรากฏว่าพี่นเขาอย่างรัตถือวัดอันหนึ่งในตูดงกัวัดคือข้อที่เรียกว่าสโสสาโสสาโสสารก็คือสู่ษาโสสารนี้กังค่าตูดงคือการถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัด แต่นี้อธิบายว่าไม่ใช่ไปปักกลอดอยู่ก็วัดทั้งวันทั้งวันทั้งวันหลายวันหลายวันนะนะหมายความว่ากลางวันเนี่ยท่านก็อยู่ในวัดเยจดวันแต่พอตกกลางคืนผู้คนนอนกันแล้วพระในวัดเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วท่านก็จะออกไปเดินทุดงไปเดินจงกรมอยู่ในป่าช้า พอใกล้สว่างก่อนที่ผู้คนจะตื่นก่อนที่คนเฝ้าป่าชาจะตื่นท่านก็ออกจากป่าชามาวัดโดยที่ไม่มีใครรู้ละแคระคระคายนี่ทำตัวลึกลับถ้าจะเป็นไม่เห็นปลาคงดูที่ก่อนนะ่นะเอ๊กลางคืนเข้าป่าชาเชา้า้นมามาวัดก็อาจจะดูแปลก แต่ที่ท่านทําอย่างนี้นะ่ะเข้าใจว่าท่านไม่ต้องการในกระจกกระตานะอยากจะใช้เวลาที่สังกัดคนเนี่ยคือการปฏิบัติคราวนี้ก็ในระหว่างนั้นไอ้คนเข้าปราชาคืวนางกาลีก็เห็นมาคือคนเข้าปราชาหรือตะเบลเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีบ้านแล้วมีครอบครัวที่ปราชาแหะครับเพียงแต่ว่าหาดําเน่งที่ไม่นจะมาอยู่ใจกลางอยู่ใน ที่ริมๆออกไปนอกๆหน่อยนะเป็นบ้านพักใกล้ที่ทำงานก็แกก็มีลูกมีเจ้าอยเงยอยู่นั่นกลางคืนก็มาไอ้กลางวันก็มาที่ปรชาชญหากินคนเขาเอาศพมาให้ เ, เราอ่านแล้วเราก็รู้เลยว่าไอ้สมัยก่อนเวลาเขาเผาศพเนี่ยดูว่าบางบางกรณีก็มีทั้งทั้งเผาแบบเจ้าภาพดูแลอยู่ด้วย แต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นว่าเอาศพมาแล้วเนี่ยไอ้ที่ทิ้งไม่สจใจเลยก็มีที่มีเงินพอจ้างพอสั่งก็มาจ้างฝากฝากังสั่งให้เผาและพี่น้องไม่ต้องแจกอาคนเผาโศกไปไม่ต้องแจกกา๊าจะเผายัางไงก็แล้วแต่ให้สิทธิได้กระจงอาะจ้างไปนางกาลีนะทําด้วยอาการอย่างนี้ตอนนี้เห็นพิรุธว่าเอ้นี่ ใครน่มานั่งพักอยู่ตรงนี้เรามาก็เห็นเป็นลอยอยู่ว่ามีคนมาพักตอนนี้มีทางเดินจงกรมเนี่ยเป็นเป็นมันจะ้ะไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็มีแต่ที่ก็เลยไปดักซุ่มดูตอนเช้าตื่นเช้าหน่อยเจอพระเลยครับคือท่านมหาการก็เลยถามแล้วก็เลยสอนพระหน่อย บอกว่าให้มาอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าท่านรู้ไหมว่าระเบียบของการมาอยู่ป่าช้าเนี่ยคุณนี่อันเรื่องเรื่องทำมากเกี่ยวกับป่าช้าต้องยกให้เราบะเลยกันนะเขาก็เก่งต้องสอนพระได้บอกว่าพระที่จะมาทำกรรมฐานในป่าช้าเนี่ยต้องบอกบอกพระในวัดให้รู้แล้วก็ต้องบอกคนเฝ้าป่าช้าให้รู้เขาจะได้บอกกันเพราะว่าป่าช้าเนี่ยจะเป็นที่ทําการใ น, นพวกโจรด้วย เวลามันได้ทรัพย์สินมาอย่มาเก็บมามาห ม, มกมาแบ่งทรัพย์สินแล้วถ้าใครเกิดจะพระจะบูลมาเรียกว่าจับแพม้มาชีจะจัดพระไปเป็นแพ้นะบ่อยไปชอบมาอยู่ที่เดียวกันมาหาที่หากินที่เดียวกันพรากาหากินกันลำบากโจรก็มาแบ่งรัพย์สินกันนี่ถ้าบอกอย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นประยามไม่โดนจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารก็เลยบอกอย่างนี้ ท่านก็รับจับรับปฏิบัติตามในถึงก็อำนวยความสะดวกเรื่องการจัดอุปกรณ์ปรุงกรรมฐานคือจัดศพให้ก็รายละเอียดเยอะด้วยกันนะว่าบางศพแรกที่จัดให้ใเป็นศพหญิงสาวที่เพิ่งตายใหม่ๆ แ, แล้วก็จะมาให้ท่านทิ่งนางก็เอาไป ทำลายเอาไปเผาพอน่าเกลียดแล้วก็ให้ท่านมาเพ่งความจริงเนี่ยในหลักกรรมฐานก็ไม่เพ่งพศพผิดตรงข้ามแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นตรงนี้อาจจะท้งพระผู้บวชใหม่ก็ทั้งสัพเพเหอไม่เข้าใจหลักตรงนี้เท่าเท่ากันก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับลระท่านหรอกแต่ว่าไม่ควรทำในทางหลัก ทั้งหลายนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เมื่อท่านก็รับเอามาปรงปรงแล้วก็ก็ได้ความรู้สึกดีนะใจสลดเกิดแห้งแล้วก็ว่าเมื่อท่านไปปรงไอ้ตอนปรงเนี่ยทำเป็นเป็นสมนถะปรงเอาความรู้สึกเพราะว่าคนเราถ้าปฏิบัติทำได้กิจเือดแห้งจาก เ, าเรื่องโลกโลกแล้วก็มันจะได้ความกระจับกระเจิงนะ ไม่เชื่อลองเท่าเท่าวันไหนท่านต้องไปดูศพที่โรงพยาบาลหมึงกลับบ้านนั้นทํากรรมฐานก็จะประเจงหรือไปเห็นคนถูกฆ่าตายถูกรถชนตายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในลักษณะอย่างนี้แล้วเราตั้งมันให้การเป็นเนี่ยกลับบ้านจะทํากรรมฐานก็จะก็ะเจงก็เลยพอได้ความรู้สึกที่เหมาะดีแล้ว ปรามกิเลสในชั้นหยาบด้วยวิธีการอย่างนี้ดีแล้วก็มานั่งทำวิปั ส, สนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในป่าช้า น, นั่นเองนี่ก็เป็นพระอรหันต์สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากห้องกรรมฐานคือป่าชา้านี่ก็เป็นเรื่องของท่านมหาการท่านมหาการรู้สึกว่าในาอดีตเนี่ยท่านเองท่านก็เคย ประพฤติอย่างนี้มานะฮะคือหมายว่าประพฤติอย่างนี้คือหมายถึงสร้างบา ร, รมีทำกรรมฐ า, านเกี่ยวข้องทำบุญรุนารแม่ก็ตั้งว่าไปเจอผ้าผ้าบางสกุลของพระไปแขวนไว้ในป่าเนี<ม>่ยท่านเห็นแล้วท่านก็ยังเคารพเห็นเป็นของหนาเรื่องรมใจสำหรับความรู้สึกของท่านนี่นก็เป็นกรรมเป็นอุปนิสัยที่สั่งสมไว้และต่อไปครับอีกองหนึ่งท่านติดสั องที่หนึ่งร้ยสาสิบเจ็ดท่านติสานั้นเป็นปรามชาวราชครืก็มีฐานะเป็นครูบาอาจารย์ของบรรดานักศึกษาสมัยนั้นพวกมานุษย์หนุ่มทั้งหลายแหล่นี่ครับก็มาร่ำเรียนวิทยาการจากท่านเพราะนั้นก็เป็นคนที่มีลาบสการะมากด้วยแต่ว่าที่มาบวชเพราะได้เห็นดุธเจ้าเมืองเสด็จเข้าสู่เมืองราชครื มาบวชแม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระลาหน์และเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในทางราบและยศเป็นพิเศษนี่เป็นข้อพิเศษของพระารลาหน์รูปนี้แต่ว่าความสําเร็จของคนเนี่ยนะฮะท่านสังเกตได้อันหนึ่งว่าจะสําเร็จในทางชื่อเสียงสำเร็จในทางราบก็ตามบางประเภทเนี่ยสําเร็จจริงสําเร็จโดยส่วนตัว แต่มักมีคนอิจฉามีศัตรูเยอะเบือย่างน้อย ก, ก็ศัตรูในทางอิจฉาทั้งลาภทั้งยมบางคนประสบความสำเร็จทางราบโดยแต่ว่าคนอิจฉาไม่มีนี่ก็เรียกว่าอา่บุญบา ร, รมีครูสอนให้เบาตัวนี้ ม, ม, มีบากร่วมล้อมต่างกันท่านก็ควรจะเดาได้ว่าคนบางคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมีคนมุ่งหน้าอิจฉาเพราะอะไร คนบางคนประสบความสำเร็จแล้วมีแต่เขายินดีไม่ค่อยมีคนอิจาแล้วคนบางคนประสบความสําเร็จแล้วคนอิจฉานั้นทําได้หมายถึงปฐุสลายได้บ้างมากน้อยไม่รู้อะไรอันี่เป็นข้อแตกต่างในประวัติพระประวัติของใครต่อใครเนี่ยในสมัยพุทธกาลนั้นอธิบายหญิงเหล่านี้ได้อันนี้ว่าท่านองค์นี้น่ะประสบความสําเร็จแล้วปรากฏว่าพวกเพื่อนพระปุถุชนนั้น ไม่ชอบอิจาก็ธรรมดาเมื่ออิจฉาแล้วก็อย่างว่าแหละพฤติกรรมคนอิจฉาเขากระทำว่าได้ก็ว่าว่าแก ต, ตัวไม่ได้ก็ว่าแกคนมาบำรุงด้วยลกกรลาสกาละัดกวางตีชิ้นนินทาพูดให้เข่าหูพูดต่อหน้าพูดรับหลังครั้งนี้ก็มาวันหนึ่งก็เจอดี <c oughs> เจอดีก็คือ <c oughs> มา อ, อว่าท่าน ด้วยจิตที่เป็นโทสะอันเนื่องด้วยความวิจาเนี่ยท่านก็จึงได้กล่าวประกาศโทษของลาบนี่เป็นเรื่อง เ, ออเรารับทราบในทางข้อจะจริงในความูิสึงพระอารหานนันต์หนึ่งว่าความสำเร็จในทางลาบสักการะของพระอารหาันต์ในศาสนาพระอารหาันต์ตอนลาบสักการะาชื่อเสียงเนี่ย ท่านไม่ได้เห็นว่าเป็นของดีนะท่านเห็นว่ามันเป็นอันตรายอะนะครับแต่อันตรายอย่างนี้ทําลายท่านไม่ได้ก็จริงแต่ถือเป็นอันตรายมากพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระสูตรชุดหนึ่งในสังยุตติกายเลยาว่าลาภสังยุตรพระสูตรเยอะเลยครับแล้วก็เป็นสูตรที่อ่านแล้วเนี่ยจะให้สํานึกในทางนี้แก่เราได้ดีมากในเรื่องความเมาราบเมาชื่อเสียงเนี่ย ว่าลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอันตรายที่แสบปวดเผ็ดอทําทอันตรายใครจะขายได้แล้วยกตัวอย่างก็มีบุคคนพุทธพจ์ลึกซึ้งกินใจมากมายนี่แปลว่าโดยหลักเนี่ยกุศลอันนี้เกิดจากกุศลนิบาศ ก, ก็จริงแต่กุศลนิบาศอยู่นี้มันเป็นอันตรายที่ทําลายคนบางคนได้ที่ยังเป็นบุติชนมีกิเลส แต่อรหันทำลายไม่ได้ก็ยังนับตัวมันเองนะมันไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลมันเป็นอันตรายแต่ทำลายไม่ได้เพราะพระหลานฝ่ามือไม่เป็นแฝดอ่เราก็จะลองฟังว่าท่านติสสะท่านพูดให้คติแก่เพื่อนพระที่เห็นผิดเป็นชอบหมายถึงเห็นโทษเป็นคุณที่เกิดขึ้นกับท่านวอย่างไงท่านบอกว่า ภิกษุศี裟โลนกรองผ้าสังฆาติได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนที่นั่งย่อมได้ย่อมชื่อว่าได้ค่าศึกไว้มากภิกษุรู้โทษในลาสั ก, การะว่าเป็นไทยอย่างนี้แล้วควรเป็นผู้มีลาบน้อยมีจิตไม่ชุ่มโดยราคะมีสติงดเว้นความยินดีในลาบคือหลองได้เป็นอันตรายคือเทียบเหมือนอย่างนี้ ไอ้ของท่านเนี่ยทะลั์ในลักษณะอนุเคราะห์เพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันึงเทียบเหมือนกับอกาลยานามิตร ท, ทาตัวเป็นกาลยานามิตรสงเคราะห์ปลาบามิตรพาละจดเวลาคนที่เป็นปรโตโขศาของของคนไม่ดีเนี่ยนะ น, นี่คือทําด้วยความสงเคราะห์ถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากคบหรอกใช่ไหมยะเลื่อกอะไรไปครบตัวได้อะไรขึ้นมาแต่ต้องครบถ้าถามว่าคนพวกนี้เป็นพานหรือเป็นบัณฑิต ท่านก็ต้องบอกว่าเป็นทานเป็นทานแล้วครบทําไมเข้ามาสู่บ้านทานดีแล้วไม่ดีไม่ดีแล้วเข้ามาทําไมอย่างงี้เหมือนหมออยู่ในโงรงพยาบาลอยู่กับคนไข้อยู่ก็สิ่งดีหรือไม่ดีไม่ดีแล้วหมอเข้ามาทําไมนะก็ต้องมารักษาคนป่วยว่าถึงตามจรรยาบันเนี่ยก็ต้องมาถรงร้องคนป่วยไม่ใช่เพื่อเห็นว่าเออคนเป็นเอส ด, ดีนะ ฉันอยากครบพระสมาคมไม่ยื่นใจด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นพระอรหันต์มองสิ่งเหล่านี้เหมือนกับหมออยู่กับคนป่วยและโลครคภัยไข้เจ็บแต่ต้องอยู่ด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่ด้วยเหตุผลว่าความป่วยดีคนป่วยดีด้วยความป่วยนั่นต่อไปพระกิมมิระนี่ไม่ต้องเล่าแล้วล่ะครับองค์เนี้ย องที่หนึ่งรอยสาสิบท่านกิมิระเนี่ยโดยประวัติแล้วท่านมีประวัติเป็นองค์เดียวกับกันกับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบแปดที่ผมเล่าแล้วแต่ที่มาปรากฏตรงนี้อีกเนื่องจาว่าท่านได้กล่าวคติข้อคิดอีกคราวหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งท่านจึงเอามากล่าวไว้ตรงนี้อีกทีคือในตอนนี้นะท่านได้อยู่ร่วมกับ พระที่เป็นศักยะด้วยกันคือท่านอนุรุทธะกับท่านนันทิยะท่านนันทนนนิยะเนี่ยความจริงก็ไม่ได้ออกบวชคราวเดียวกันเพราะตอนที่ท่านออกบวชเ่มีท่านอนุรุทธะท่านานนท์ท่านพัทธิยะท่านติสสะท่านเทวทัตและกท่านอุบาลี นันทิยะนั่นเป็นสักยะแต่ออกบวชที่หลังคนละรุ่นกันแต่เวลามาอยู่มาทันอยู่ร่วมกันทีนี้พระอาหารหันเวลาท่านอยู่ร่วมกันเนี่ยคือแม้ว่าตัวท่านเองเป็นพระอาหารหันต์มีดีมีสิ่งที่น่าเคารพน่านับถือน่านเลื่อมใสด้วยตัวเองแต่เวลาท่านอยู่กับพระอาหลานด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างดีอยู่แล้วมันชื่นใจค่ะใช่ไหมฮะ เราครบคนดีเนี่ยคบแล้วมันชื่นใจยิ่งคบยิ่งชื่นใจ อ, อบางคนเนี่ยแหมแค่นึกถึงชื่อก็ชื่นใจนึกถึงตัวก็ชื่นใจนะคนดีแล้วไม่มีแต่ความรู้สึกเกื้อกูลรักษาอนุกรองกันมีแต่จะให้มีอะไรก็ต่างคนต่างจ้องจะโทษตัวเองจ่างจ้องที่จะหาโอกาสแก้ไขตัวเองมันก็ต่างคนต่างชื่นใจไม่กล้าที่จะไป แม้แต่คลิดี่จะกระทบกระทั่งก็กระเตือนใจแล้วแค่คิดแค่สมมติเหตุการณ์ขึ้นมาก็กระเตือนใจแล้วทีนี้ถ้าไปเจออย่างนี้ท่านก็อยู่กันด้วยความสุขเพวันนั้นถึงตัวท่านจะดีก็เพราะท่านดีนั่นแหละใครมาดีให้ท่านเนน่าก็เลื่อมใสท่านก็เกิดความสุขกับความดีคนอื่นด้วยเหตุนั้นท่านอรหันต์ท่านจึงได้กล่าวคาถาชื่นชมแต่กันเหมือนอย่างเช่นท่านกิเวลากล่าวว่า ศาษากยบุตรทั้งหลายผู้เป็นสหายกันมีในปาจินวังสะสทายวรรได้พากันละโภคะไม่น้อยมายินดีในการเที่ยวบินทบาทปลาลบความเพียรมีจิตเด็ดเดี่ยวมีความบากบันมั่นเป็นนิรละความยินดีในโลกมายินดีอยู่ในธรรมเป็นบทแสดงความ ชื่นชมเลื่อมใสแก่เพื่อนร่วมสำนักอยู่ด้วยกันอีกสองท่านซึ่งเป็นสายสากยะเดวยกันองค์นี้เลยผ่านไปผมจะไปจบเอาองค์ที่สามสิบเก้าดีละครับท่านนันทะนี่เป็นเจ้ารรกยะเหมือนกันไหครับเป็นเจ้ารรกยะที่ออกบวชรุ่นหลังคื อ, อท่านนันทะเนี่ยเป็นลูก ชายโอรสของพระนานหนางมหาปยาบดีโกตมีนะกับพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโธสนะก็แน่แล้วครับเกิดในร่วงในวังเกิดมาก็เป็นที่รักใคร่ของ่าสาลุหิต จ, จึงได้ชื่อว่านันทะลูกปูเป็นที่น่ารักแปลว่าน่ารักหละท่านนันทะนั้น <c oughs> เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมา เป็นหนุ่มก็จะได้เข้าสู่พิธีแต่งงานแต่เราก็คงจะเคยได้นนะผมจะเล่าในส่วนตรงนี้ว่าคราวที่เสด็จกบิลพัทเนี่ยวันที่พุทธบิดาและพนานางบรรลุเป็นโสดาบันวันที่สองและวันที่สามนั้นเป็นวันแต่งงานของน้องชายคือพานันทะ ที่เกิดเรื่องแต่งงานนั่นก็คือเนี่ยวันที่สามนี่แหละครับและเราก็รู้ว่าได้ท่งทํามูบายเพื่อจะเอาเจ้าบาวมาบวชรู้ไหวต้องบวชจึงแม้ว่าในชั้นแรกเนี่ยจะเป็นที่น่าจะถูกติดฉินนินทานะมันเหมือนจะเป็นบาปแต่ว่าท่านรู้ว่าในระยะยาวและ ี่จะเป็นอย่างไรก็เลยใช้อุบายอย่างที่เราได้ยินกันมาแล้วล่ะครับว่าไปรับบิณะบาตในงานแต่งงานนะเสร็จแล้วก็ให้พระนันท h อุม้มบาทมาส่งและท่านก็ไม่ยอมรับคืนนสิโดยธรรมดาพอพ้นอุปจาระบ้านอุปจาระวางมาบน้งพวง ก, ก็ต้องรับที่ไม่รับก็จึงมาถึงบ้านถึงวัด วัดก็ไม่ใช่เชตาวันไมยาอะไรที่ไหนล้วครับก็คือนิโครดารามแหละเสร็จแล้วแทนที่จะให้กลับขอโทษขอโพยนะฮะใช้ความเกรงใจเขาเปลืองแล้วเกิดใช้ความเกรงใจเพื่อ น, นําไปสู่ประโยชน์ของผูน เ, เกรงใจนั่นเองเจอแล้วกลับมาถามว่านี่จะบวชหรือไม่ท่านนั้นท น, นาคุสสาเกรงใจหนักครั้งแรกก็เกรงใจพอสมควรอยู่แล้วล่ะนะพอบอกจะบวชเลย ก็เกรงใจบอกจะบวชตามเข้ามาเนี่ยตามที่มันเรียกว่าตกกระไดพลอยโจ น, นแท้ๆยังจะมาถามว่าจะบวชก็เอ้าบอกก็บวชอย่พระพุทธเจ้าก็แล้วท่านจะมีตะบะแรงเหลือเกินนะ่ะน่าเกรงใจลเลยก็เลยบวชแต่บวชเนี่ยก็ตัวเองก็คิดว่าเออไม่เป็นไรบวชแล้วก็บอกลาสิขาเอาที่หลังอะไรจังไงพ้นระยะน้าถือวนาขวานไปก็พี่ไหนได้ล่ะพอบวชเข้าไปแล้วนี่ ตัวเองก็ทีแรกก็จะสึกกนระทั้งใจถจริงๆแล้วความคิดจะสึกนั่นยังอยู่ได้ไปเที่ยวบอกก็เพิ่มแลว้วจะสึกจะสึกนะจนกระทั่งเรื่องมาถึ ง, ถงพระพเจ้าพอดูพระพุทธเจ้าก็ทําไม่ให้สึกผมเอตั้งใจจะให้ฟังเพราะเรื่องนี้นะบางเออเล่าๆแล้วก็จะซ้ําก็าที่เล่าเปล่ามาบ่อยๆเลยอยากจะให้ฟังพระสูตรคาต่อคํำนิดหน่อยนะว่า เรื่องราวเป็นยังไงนะลองฟังนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจดวาเนี่ยหมายว่าหลังจากนั้นเมื่อเสด็จมาสู่ที่นี้แล้วที่ที่เกิดจุดตรงนี้ขึ้นนะท่านอนาถาบินทิอัอลังท่านอนาะใกล้เมืองสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสของพระมาตุจฉาได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมาก อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านภู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติปรมจันทร์ไม่สามารถจะทรงพระมจันทร์อยู่ได้ผมจะบอกคืนศึกขาลาเพศครั้งนั้นแลพิสูรรูปหนึ่งเข้าไปฟาดพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วกราบพูลแก่พระผู้มีพระภาคลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสูุรูปหนึ่งมาว่ามาเถอดพิสูุเธอจงเรียกนั่นถ้าพิสูุมาตามคําของเราพิสูรนั้น ก็ได้ไปเรียกพระนัน t h พระนัน t ะเมื่อพระผู้มีาภาคได้สอบถามก็ได้กราบทูลว่ า, าได้กล่าวอย่างนั้นแก่พิสูจนเพื่อจลาศิกขาบทศิขาบทลาเภศนะจริงประจับค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนนัน t ะท่านไม่ยินดีประพฤติรมจันท ร, ร์จักไม่สา ม, มารถทรงพรมจันท ร, ร์ไว้ได้จักบอกคืนศิขาลาเภศเพื่อเหตุหลายะ ท่านั้นถ้ากล่าวว่าข้าแต่พระองค์บู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเลือนนางสาคียานีผู้ชนบทกัลยาณีมีผมอันสางไว้กหนึ่งแลดูแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงดวลเสด็จกลับมาข้าพระองค์ละลึกถึงคำของนางนั้น จึงไม่ยินดีพระผู้เป็นปรย์ไม่สามารถจะทรงปรมจั์ไว้ได้จากบอกคืนทิ่ขาลาเพศถามว่านี่เป็นเป็นบริโภคอะไรเป็นนิวร อ, อะไรต่อเพเองครั้งนั้นพระผู้มีรภาคทรงจับท่านท่านันทะที่แขนแล้วทรงหายจากพระวิหารเจตวันไปปรากฏในเหล่าเทวดาเช่นดาวดึงเหมือนบุรุษมีกำลังพึง เหยียดแขนที่คู่หรือบนคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นก็สมัยนั้นนางเทพ า, าสอนประมาณห้าร้อยมีเท้าดุดนกกีราบมาสู่บำรุงคือมาสู่ที่บำรุงของท้าสักกะจอมเทพกลังนั้นแหละพระผู้มีพภาคตรัสกะท่านน้านันท้าวาดูก่อนนั้นท้าเธอเห็นนางอับอสอนห้าร้อยเหล่านี้มีเท้าดุล ลูกวิราบหรือไม่ท่านท้ากราบทุนไม่เห็นอ่ะแล้วแล้วนี่ท้าสากาไม่เห็นลูกเจ้าเจ้าแล้วว่ามีใครมาแอบดูท่านไม่ได้พูดาจะผมเข้าใจไม่เห็นเพรว่าท่านพรางตาได้ถ้าแล้วแต่ว่าต้องการนะต้องการให้ฝ่ายหนึ่งเห็นเพื่อเป็นบทเรียน<ๆ>ก็ยืมดูหน่อยก็ดูให้ดูแต่นางนางเทพมาสอนมาสู่สำแนักของเทวราชา เพราะผู้มีภาพตายว่าดูก่อนนั้นท่าเจตสำคัญความข้อ น, นั้นเป็นฉันหม น, นางสาคิยานีหรือนางเทพอักษรเหล่านี้ซึ่งใครหนอแลนี้ลูกงามงา ม, งามกว่ากันหน้าดูกว่ากันหน้าเริ่มใสกว่ากันข้าแต่โรคผูเจริญ น, นางลิงผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่ถูกไฟไหมหูและจมูกขาดฉันได้นางสาคิยานี ผู้ชนบทกรลยานีก mm ็ฉ <video> ันนั שוב, ้นแหละเมื ah ่อเทียบกับนางอภรรเหล่าน <p> ี <ten> ้ย네่อมไม่เข <neighborhoods> ้าถึงเพียงหนึ่งเซี่ยวไม่เข้าถึงเพียงส่วนหนึ่งของเซี่ยวไม่เข้าถึงเพียงการเข้าไปเปรียบว่าหญิงเหล่านี้เป็นเช่นนี้ที่แท้นางเทพอภรรน่าดูน่าเลื่อมใสกว่าพระพุทธเจ้าค่ะก็รุนแรงหน่อยนะ นี่ดีว่าพูดกันได้ยิยนกันแค่สองท่านเดี๋ยวก็เลยนางนางสายยานี่จะโกรธแบบนางมากา ร, รียาเขามีคนนี่อ่ะอะตวงนี้ฟังแล้วเราก็ใจแหมไอ้คนเราเนี่ยนะเวลามันมาเทียบกันเนี่ยั้งบอกไอ้ระบบเปรียบเทียบเนี่ยเป็นหลักการธรรมะหนึ่งสิ่งที่นับว่าสวยเพราะมาเทียบอะไรก็ที่ที่สวยกว่าเนี่ยห่างหางเนี่ยมันกลายเป็น ขี่เลยไปได้มีความรู้สึกเราเดี๋ยวนั้นหลือจริงไม่ดีไม่ว่าอะไรล่ะครับไม่ว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เถอะเป็นอย่างนี้บ้านเรือนก็ได้ยันขั้นกว่ารูปขันี่มีประณกกกีกว่ากันกว่ากันกว่ากันไปโดยลําดับแล้วมันก็เรียกรองความรู้สึกให้ต่างกันไปได้ด้วยอย่างเป็นจริงเป็นจังทีนี้เอาละต่อไปท่านตรัสว่า ยินดีเถิดนันทะอภิรม์เถิดนันทะเราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อให้ได้นางอภิษณเหล่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่าพระผู้มีพระภาคทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางเทพอัิษรข้าพระองค์จักยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระเจ้าค่ะมีหมายว่าไงลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค ทรงจับท่านท่านันทาที่แขนแล้วหายจากเทวดาเช่นดาวดึงมาปรากฏที่พระวิหารเชรวันภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าท่านพระนันทะพระผู้มีพภาคทรงรับรองเพื่อให้ได้นางเทพอักษรครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหายของท่านนันทาย่อมเรียนท่านนันทะว่าลูกจ้าง และด้วยวาทะว่าพระผู้มีภาคทรงไถยมาไถยชีวิตไว้ไถยความเป็นพระไว้มือ่อจ้างก็ได้ไถยก็ได้อล้ท่านพรนันทะเนี่เมื่อถูกเรียกอย่างนี้ก็ก็รู้สึกคนอื่นอัดใจนะ อ, นอายและอึดอัดใจเลย ก, กลายเป็นปมที่ทําให้พระนันทะเกิดความรู้สึกรุ่ดสู้ ว่าทํำยังไงเราถึงจ ะ, จะพ้นไปจาก้ข้อที่เขาติจินตนนาเราทีแรกก็คิดอย่างพอมาถึงตอนนี้คิดอย่างในที่สุดท่านนันทะก็เป็นผู้หลีกออกจากหมู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานก็กระทาให้แจ้งที่สุดแห่งทุกเและที่สุดของพระพุทธเจ้านยอดเยี่ยมที่คุลบุตรทั้งหลายออกบทเป็นบระรคิดต้องการก็คือเป็น ท่านพระนันทาได้เป็นระอหันต์ลูกหนึ่งในจํานวนพราอรหันต์ทั้งหลายกาวนี้ก็ในปฐมยามล่วงแล้วเทวดาตนหนึ่งมีวันนะระหว่างสวัยมาเฝ้าแล้วก็ได้กราบคุณพระผู้มีว่าพระผู้มีพระภาคว่าพระนันทาเป็นพระอรหันต์ไปแล้วและพระนันทาเองลุ่งขึ้นเมื่อได้เป็นอรหันต์แล้วก็มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคดิวิการมาเฝ้าครั้งนี้ทํามาเพื่อเปลื้องพระผู้มีพระภาค ท่านกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางเทพอาสอนข้าพระองค์ขอโปรดเพื่องพระผู้มีพระภาคจากการรับรองนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนั้นทะแม่เราก็กำหนดรู้ในใจของเรานะว่าเธอบรรลุแล้วแม่เทวดาก็บอกเราแล้วก็คือต้องการจะบอกไม่ใช่เธอบอกเท่านั้นรู้จากสามดายเหต จากนั้นก็ตรัสว่าดูก่อนนันทะเมื่อใดแล่จิตของเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพาะไม่ถือมันเมื่อนั้นเราพ้นแล้วจากการรับรองนี้ก็นี่เป็นอุบายในการทําคนบางคนให้เป็นพระอรหันนะไอ้คามจริงเรื่องนี้ถ้าวิจารณ์ที่จุดบางอย่างก็มีข้อสังเกตหลายอย่างแต่มีข้อหนึ่งที่ผมฝากเป็นการบ้านอีกนะ คือคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยจุดมุ่งหมายอย่างนี้นะ่ะสมควรบรรลุหรือคนรับจ้างปฏิบัติธรรมสมควรบรรลุหรือคนปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นตัวเลขควรบรรลุหรือคนปฏิบัติธรรมเพื่อให้พุ่นขึ้นสมควรบรรลุหรือบรรลุได้หรือไม่การกวางหรืออะคนรับจ้างบวชรับจ้างฟังธรรม ฟังธรรมะรู้เรื่องหรือบรรลุธรรมได้หรือไปคิดเองนะมันไม่เป็นนิวรณ์ขาดหรืออะไรอย่างนี้ถ้าคิดออกแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจแล้วก็เป็ น, เ ป, นเป็นอุบายในการวางใจไว้บางคนเนี่ยความต้องการที่เขาเห็นอยู่ในใจเขาขนาด น, นี้แต่บา ร, รมีเขารู้ที่เขาควรจะเป็นเขาเป็นได้ยงรู้ที่เราก็ต้องเอาไอ้สิ่งที่เขาเข้าใจได้นะไม่ใช่เอามาเป็นจุดหมายปลายทางในทางเนื้อหาแท้จริงเบื้องลึก แต่มันเป็นเครื่องล่อไอเขาเองก็เห็นเป็จุดหมายแต่เราผู้สอนเนี่ยเป็นเครื่องล่อกก็เอามาล่อล่อเพราะเรารู้ว่าพอเขาสําเร็จประสบความสาเร็จในธรรมแล้วก็เรายื่นสิ่งนี้เขามันกลายเป็นไม่มีค่าสำหรับเขาแล้วเราก้นเลื่อนเครื่องลอกสูงขึ้นไปขึ้นไปเราทุกวันเนี่ยจเจริญในธรรมไปตามเครื่องล่อทีละขั้นทีละขั้นจริงไม่จริง ก็จะจบก็ตรงที่ว่าเป็นนันว่าท่านนันทะเนี่ยได้บรรลุธรรมด้วยอบายอันแปลกประหลาดอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลกินเวลาเป็นปัรษาปัรษานะแต่ว่าเมื่อบรรลุเป็นพระหลานแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตถะคาเนี่ยมันมันเกือบจะตรงกันข้ามกับบุคลิกท่านเลย ถ้าท่านดูในรายชื่อเอตทัาคคะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางสำรวมอินทรีย์นะก็เรียกว่าแหมคนตาเจ้าชู้เนี่ยนะไม่น่าจะมาเป็นตาพระได้นะแต่ก็เป็นไปได้เลยนกรณีของท่านประวัติท่านนะเคยเป็นเต่าให้พระพุทธเจ้าประทับบนหลังข้ามแม่น้ำมาก่อนนะใ น, ในอดีตชาติ ทำเป็นบุญเป็นกุศลไว้ในพิจ้างค์ก่อนเอาละครับวันนี้เร า, เาพักเรื่องไว้แค่นี้กล่าวหน้ามาต่อกันขอกราบขอพระคุณจังจเทพนะคะ